ยาซีเรียเรื่องร้านหนังสือเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเมื่อเรียนมัธยมจบก็ไปเรียนต่อกรุงเทพ ด้วยความยากจนไม่มีเงินซื้อหนังสืออ่านจึงไปอาสาสมัครขายหนังสือตามร้านหนังสือโดยแลกเปลี่ยนกับการเอาหนังสือไปอ่านที่บ้านวันละ 2-3 เล่มเป็นประจำในเวลาเพียง 6-7 เดเดือนก็อ่านหนังสือหมดทั้งร้านจึงไปขอลาออกจากผู้จัดการเด็กผู้ยากจนพูดว่าท่านผู้จัดการครับ ผมอ่านหนังสือหมดทั้งร้านแล้วผมขอลาออกครับผู้จัดการถามว่าเธอจะออกฉันก็ไม่ว่าแต่เธอมีอะไรจะเสนอแนะร้านบ้างไหมเด็กคนนั้นพูดว่ามีครับผมขอเสนอให้ท่านปิดร้านเลิกขายหนังสือเสียเถอะครับผู้จัดการแปลกใจมากจึงเอ่ยถามทำไมละ่ะ จึงมาเสนอให้ฉันเลิกขายหนังสือเสียเด็กคนนั้นพูดว่าผมทำงานมาหกเดือนกว่าผมตรวจเช็คยอดขายได้เดือนละ3าม0 0ื่นกว่าบาทซึ่งได้กำไรเพียง 10% อร์ซก็คงได้กำไรประมาณ3 0 0พันกว่าบาทเป็นค่าคนขายก็หมดแล้วนอกจากนี้ยังคงเสียค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆอีกผมเห็นว่าขาดทุน จึงอยากให้ท่านเลิกขายครับผู้จัดการตอบด้วยอารมณ์เย็นว่าฉันต้องขอบใจในความหวังดีของเธอแต่ที่จริงฉันได้กำไรทุกเดือนเธอไม่รู้เพราะฉันมีลูกสามคนเขาสามคนสอบได้ที่หนึ่งทุกๆปีเป็นเพราะฉันเปิดร้านขายหนังสือ ตอนเย็นเย็นลูกๆกลับมาเข้าร้านเปิดหาหนังสืออ่านกันเองฉันคิดว่าฉันได้กําไรตรงนี้ฉันต้องการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับลูกๆโดยไม่ต้องบังคับให้เขาอ่านหนังสือเขาจะอ่านกันเองและนอกจากลูกของฉันก็ยังให้ลูกของคนอื่นได้ดีด้วยเธอว่าจริงไหม